การเตรียมฐานฟังเทศฟังธรรมตอนบ่ายนี่เราอาจารย์เขาจะนำสักเล็กน้อยแล้วก็จะให้สะกบจิตใจการสะกอบจิตใจก็ให้เราดูใจกันแล้วกันภายในลักษณ <c oughs> ิปฐา <c oughs> นวาจิตตานุปัสสนา ให้ตามดูจิตหรือตามรู้จิ ต, อ ต, จตของตัวเองแต่ว่ารู้อยู่ในจุดเดียวนีะไม่ให้ตามไปข้าขงนอกพยายามสังเกตจุดรู้อยู่ข้างในนั้นดูว่าอะไรไมันจะเกิดขึ้นในหลักกิตตานุปัชชนั้นมีว่าจะหมายได้ขณะนิจใจรู้สึกว่าใจมันมีราคาเกิดความกำหนัด ก, ก็ให้รู้ว่าใจมันมีราคา หรือขณะนี้ใจมันกําลังหงุดหงิดกำลังไม่ชอบใจอย่างใดอย่างเกิดก็ให้ดูหรือขณะนี้ใจมันฟุ้งซ่านลาคาญคิดดีหรือคิดไม่ดีอย่างใดก็ให้รู้แล้วขณะนี้ใจกําลังแน่วแน่กําลังมีสุขกําลังสบายก็ให้ดูเรียกว่าตามดูใจพวกเราที่มันเป็นไปตามลําดับ เราประคองความรู้สึกเข้ามาสุดจุดหมายที่ตั้งครั้งแรกเรียกว่าประคองเข้ามาเราคุมมันคุมมารักษาไวในจุดตั้งจนกว่ามันจะจับจุดนั้นๆได้พอจับจุดได้แล้วเราก็วางให้มันเป็นกลางให้มันตั้งรู้อยู่ตั้งรู้อยู่ถึงขนาดที่ว่ารู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกของเรามันอยู่ที่จุดไหนก็ให้รู้อยู่แค่นั้น จนกว่าจิตนั้นมาจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นอันเดียวในใจของเราทุกคนนะมันก็จะมีมีใจแล้วก็เครื่องประกอบอีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขานหรืออย่างรวมอยู่ไหนนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ารวมไว้ในจุดเดียวตั้งไว้รักษาจุดรู้ไว้ตรงนัน้มันอะไรก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้น ก็ใ ห, ห้เลยคือเราไม่ได้ไปสนใจไม่แยกแยะว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นเราไม่ได้ทาอย่างนั้นขั้งแรกเราต้องการให้ความรู้สึกทั้งหมดหรือสิ่งทั้งหมดนั้นไปรวมอยู่ในจุดเดียวรวมรู้อยู่ในจุดเดียวนั้นจึงเรียกว่าสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งหรือใจมีรู้อยู่ในจุดเดียวมั่นอยู่ในจุดนั้น เมื่อมันมั่นอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เรียกว่ามันตั้งได้แล้วทีนี้เมื่อตั้งได้แล้วต้องจะกําหนดอ่านรู้เนี่ยว่ากําหนดรู้กําหนดรู้แต่ละอย่างละอย่างที่มันมีกำหนดรู้ขึ้นมาว่าอันนี้แหละคือใจสภาวะที่มันรู้อยู่ขณะนี้สภาวะที่มันรู้สว่ารู้ว่าสบายไม่สบาย ขณะนี้เรียกว่าใจใจนั้นย่อมรับไปรับอารมณ์หรือรับเรื่องราวต่างๆที่มันมากระทบกับใจสิ่งที่มากระทบกับใจนั้นท่านเรียกว่าสัมผัสสัมผัสมากระทบกับใจครับเรียกว่าออกมาจากดวงเรือว่าจิตวิญญาณ วิญญาณวิญญาณนำมากระทบหรือใจออกมากระทบกับอารมณ์กระทบกับเรื่องทางตาเรื่องทางหูเรื่องทางจมูกเรื่องทางกายแล้วก็เรื่องภายในที่มันเก็บไว้เรียกว่าธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มันนอนอยู่ในใจนะเมื่อเรามานิ่งมาสงบมันจะปราผุดขึ้นมาในขณะที่มันยังใจของเรายังดินดด้ดนโดดนั่นโดดนี้มันก็จะไม่รู้สึกอารมณ์ เมื่อกาน้ํำที่ในโอ่งเลยในตุ่มถ้ามันไหวอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาหน้าเราได้แต่เมื่อใจเมื่อน้ํานิ่งแล้วเมื่อใดเราก็จะสามารถมองเห็นเงาหน้าเราได้ในใจของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเอามานิ่งรู้อยู่แล้วไปจะเห็นทุกอย่างในนั้นซึ่งมันมีภายในนั้นทําไมจึงจะให้รู้ให้เห็นทุกสัตวอย่างในนั้นพระเจ้ามีความประสงค์ เพื่อไม่ให้ใจของเราไปถือเอาไปถือเอาว่าเป็นตัวเองไม่ให้ไปถือเอาเวทนาเวทนาก็หมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าไม่แสบบ้าหรือว่ารู้สึกเฉยๆอาการที่รู้อย่างนั้นท่านเรียกว่าเวทนาท่านสอนไม่ให้เราไปยึดถือเอาคําว่าไม่ไปให้ไปยึดถือเอา ความหมายป่าเราไม่ไปนอนเพิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นเห็นว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นใจก็เลยนอนเติอนอยู่กับสุขเวทนานั้นนั้นเรียกว่าถือมันไปถือเอาสุขเวทนานะเป็นเครื่องอยู่ไม่ให้ถืออย่างนั้นแต่ให้รู้ใจแล้วก็ให้รู้สิ่งนั้นบอกเลยว่านั้นมันเป็นเวทนาเกิดอะไร เวทนาก็คือเวทนาคือความรู้สึกว่าสบายกันหรือรู้สึกว่าสบายก็เป็นความรู้สึกสบายแต่อตัวพูดที่มันรู้สบายก็คือใจอันนี้ตักหากล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองอย่างนั้นให้เป็นอิสระอย่าให้ใจเราไปนอนกับเวทนากับสุขหรือขณะที่กําลังเกิดพังสบายเกิดหมุดกิดอึดอัดอะไรเกิดขึ้นมาภายในนี้นั่นนหะท่า น, นียกว่าถุก รู้สึกก็ไม่สบายใจเพรากระทบกับอารมณ์เข้ามาเข้าท่าเข้าทางหรือตั้งกิจไม่ถูกที่ถูกอําก็อึดอัดขึ้นมาภายในมันก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายเมื่อรู้สึกว่าไม่สบายมันก็กระวนกังวายใหญ่ทีถ้าเอาใจใส่สิ่งนั้นมันก็อยู่กระวลกังวัยในสิ่งนั้นๆั้นท่นท่านยังสอนให้เราให้วางใจเป็นการนะวางใจทุกไวจะสุขอย่างใดก็ให้มีความรู้สึกรู้อยู่ใน กว่า น, นันมันไม่ใช่ใจหรอกแตงว่าใจนะํานมันไปรับรู้รับทราบสิ่งนั้นก็มารู้ใจเพื่อให้มันตัดจากกันทีนี้ตั ว, ต, วตัวสัญญานั้นไม่ต้องมีปัญหาอะไรแล้วคือเป็ น, เ ป, นเป็นทั่วแล้วผู้รับรับสู้รับรู้รับทราบแล้วเป็นผู้บอกทนะั้งตัวสัญญาไปว่าจําจําได้ว่าขณะที่ขณะนี้กําลังสบายมันก็จําได้มันเคย เคยรับสบายมาแล้วในขณะที่ไม่สบายก็รู้ขึ้นมามไม่สบายตัวสัญญานะั้นมันเคยผ่านเคยพบสิ่งนั้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราไปยึดไปถือไปนะมันก็จะมีสังขารคือความคิดความปรุงความแต่งแฝกแซงในอาการที่เกิดขึ้นก็เอาเรื่องสัญญานะั้นเรามาคิดมาปรุงมาแต่ง เ, เรื่องที่จำได้มานะคิดปรุงแต่งกัน มีคิดไปกิดมาเลยปรุงออกไปข้างนอกไม่อยู่ในฐานที่ตั้งถ้ามันอยู่ในฐานที่ตั้งแล้วมันก็ไม่เป็นไรในใจโดยฐา น, านที่ตั้งภาว่าเราจะใช้ความคิดก็กําหนดรู้คือเราทํางานกําหนดรู้อาการอย่างนั้นก็เรียกว่าสังขารนั่นแหละเราทําอย่างนั้นเราตึกเล็กขึ้นว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้ไป น, นี้เป็นจงคือตัวสังขารงาเครื่องประกอบดวงรู้เครื่องประกอบใจ นีเวลาเราจะสงบเราก็ไปนิ่งรู้อยู่ในจุดไม่ให้จิตของเราไปเคลื่อนเคลื่อนไปถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งใดนี้มีหน้าที่รู้อยู่ในจุดเดียวนิ่งรู้อยู่ในขณะที่เราจะให้นิ่งรู้ที่เราประคองมาครั้งแรกคือประคองเข้าสู่จุดใหม่นั่นเป็นการการประคองหรือการรักษาเพียนพยายามรักษา เมื่อใจของเรามันยังไม่เข้าสู่จุดที่ตั้งที่หมายมันก็ต้องอย่างนั้นก็ต้องประคองความรู้สึกเข้ามาหาดวงรู้เข้ามาหาจุดรู้เข้ า, าหาจุดที่ตั้งเมื่อมันจับที่ตั้งไหนแล้วก็จับตัวรู้นะั่จับดวงรู้แล้ววางลงเลยทียนะี้ไม่ต้องไปยกไปยักไปขึ้นหน้าลงหลังแล้วมีความรู้สึกอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่จุดนั้นเรียกว่ารู้ใจรวมรู้ใจใจมก็จะเป็นหนึ่งแนว มาใจเป็นหนึ่งแน่วนะ่ะสิ่งต่างๆมันก็เกิดคือเครื่องประกอบนะหมายถึงงาปิติความชุ่มชื้นสุขเบากายเบาใจต่างๆเป็นหนึ่งถ้าจิตเข้าในจุดอย่างนี้แล้วนะั้มันรวมอยู่ข้างในมันไม่เห็นภายนอกจะไปรู้เรื่องภายนอกมันไม่มีแต่ท่านต้องสอนให้ทำให้ทาอย่างนี้ให้รู้จักตัวเองก่อน เรียกวัยรู้ตัวเองให้เห็นตัวเองก่อนเรียกว่าเห็นใจรู้จักใจหน่อเองเห็นไปให้ไปส่งกระแสจิตแล้วก็ข้างนอกทันไปข้างนอกแล้วในขณะที่จิตของเราได้สงบมันก็จะมีมิตฉต่างๆปรากฏขึ้นบางทีเนี่ยประคองใจบางคนวับมาเห็นเป็นรูปประพันธ์สันฐารบางทีเห็นเป็นปู่เป็นคนมาบางคนปรากฏเหมือนกับเห็น ญาติพี่น้องทั้งหลายที่ตายไปแล้วปรากฏให้เห็นก็มีเขากระแสจิตออกส่งไปมันก็จังมีมีมิตต่างๆบางคนก็กว่าบเดียวแล้วก็ดับไปบางคนเห็นได้นางท่านมาให้ส่งกระแสจิตออกอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตของเรามันยังไม่มั่นพอถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่มั่นพอถ้าส่งกระแสจิตจริงก็จะไปติดของนองติดขนน้างหล่นอนอารมณ์ข้างนอก น, นั้น เมื่อติดอารมณ์ข้างนอกแล้วออกจบเข้ามาข้างในมันก็ไม่เข้าถึงมันก็ลืมฐานลืมบ้านลืมเมืองของตัวเองลืมฐานที่ตั้งของจิตเลยเลยไปตั้งอยู่อาการข้างนอกนนตั้งในมิจข้างนอกนั่น่อ <c oughs> ไมไปตั้งข้างนอกมันไม่เข้าสู่ฐานของดวงรู้แล้ว ม, มันเป็นสัญญาวิปลาสเธอสัญญาหมายถึงสิ่งที่มองเห็นภายในใจ เห็นรูปเล่งพันสันฐานเห็นรูปอะไรต่างๆปรากฏเห็นแสงสว่างบ้างเห็นรูปขนลบกสัตว์ปรากฏขึ้นมาบ้างหรือบางคนเห็นสิ่งที่แต่ลายลายรูปที่ลายเห็นสัตว์สิ่งแห่งสาที่ดุลายเยอะแยะก็เลยกลัวไปตามที่ตัวเองเห็นนั้นอ่านั้ท่านสอนท่านยึงสอนให้เรานะเข้ามาข้างในให้มันเต็มเปี่ยมให้จ่ายของเรามันของไม่หวั่นไหวก่อน ถ้าเราจะต้องการรู้ต้องการเห็นเราก็ทำได้ได้โดยแต่ถ้าหากว่าใจของเรามันยังไม่เห็นไม่เห็นตัวเองอะไรเอาไปเห็นข้างนอกแล้วมันไม่ค่อยจะแน่หรอกครั้งแรกอาจจะจะถูกต้องแต่ว่านานเข้านานเข้ากับลอะเอะเลยไม่ถูกต้องแต่ถ้าสามารถเห็นกายเห็นจิตท่องเตงมชัดเจนแล้วเมื่อใด ก็จะสามารถเห็นภายนอกได้ชัดเจนตามหลักคำสอนของพระธิเจาว่าเมื่อใจสงบรับนับเป็นสมาธิแล้วจึงน้อมไปน้อมจิตไปเพื่อปุบเพนวาสานุสิยาเพื่อระลึกชาติผลหลักกำหนดครูกายของตัวเองทั้งหลายเบื้องต้นเนี่ยคือว่าไอชาติก่อนแล้วเป็นอะไรอะไ ร, ะไรมา ให้ดวงรู้มันก็จะเป็นเครื่องบอกสิ่งต่างๆมันก็จะปรากฏให้รู้ให้เห็นขึ้นมาประชารัต น, นเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปภาพปลาบอกหมดเนีย่ยเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วก็น้อมไปเพื่อจุตูปปาตยานคือไปเพื่อการเกิดการดั บ, บมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ตายเกิดแล้วมันเป็นยังไงบ้างตรงไปอย่างนี้ท่านอ่าปปูจะจุตูปปาตยาน ในประการสุดท้ายถ้าก็ให้น้อมไปเพื่ออาศวข ย, ยานเพื่อละถอนปล่อยวางความยึดถือในขันหาน้อมไปเพื่ออาศวัย า, ยานนี่อาจารย์แนะอยู่อยู่เสมอแต่ส่วนที่จะให้น้อมไปเพื่อปุเพไม่เห็ไม่ผ่านทางเพราะว่ากําลังสมาธิของเราเท่ามีความสงบเพียงแค่นี้มันมันไม่พอ คือมันเป็นแค่ถ้าสงบอยู่ภายในแค่นี้มันเป็นเพียงองปจญญารละสมาธิเท่านั้นถ้าจะน้อมไปเพื่อเห็นกับแวบวับเห็นไม่นิดหน่อยหน่อยมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นกายนั้นหลักฐานที่จะให้เราเห็นสิ่งต่างๆนั้นได้ดีนั้นจำเป็นต้องกาหนดรู้กายกาหนดรู้กายให้เห็นกายตัวเองเหมือนเราเห็น คนอื่นดูตาหนังอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นได้ชัดเจนแล้วแล้วก็จะเห็นทั้งกายและจิตกายก็เข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นฌานที่หนึ่งเมื่อมาเข้าถึงองค์ฌานได้อย่างนั้นมันมันม่นคงแล้วถ้าจะน้อมไปมันก็ไม่เสียหายาเห็นแล้วรู้แล้วเป็นคืนเข้ามาสวดฐานที่เดิมก็เราบกลมได้แต่นี้เรา เข้าสมาธิเบื้องต้นกันเพียงเอาหลักเบื้องต้นขู่ปัจจัสมาธิกันอเอาแคน่นี้แต่บางคนก็ยังไม่ยอมเข้าซะอีกยังไม่สงบอีกก็จะไม่ต้องเริ่มกันอยู่เบื้องต้นนี้ทาง <c oughs> เดายาทําด้วยอํานาจแห่งตันหาคือทําด้วยอํานาจแห่งความอยากไปตามขั้นตอนต้องทําไปตามขั้นตอนของกันต้นขั้นปลายมันเป็นไปตามลําดับขั้นตอน พอทำพ็อก็จะให้มันถึงให้มันเป็นอย่างที่ท่านว่าไวสุดยอดนล่นซะลยอย่างนั้นเรียกว่าอยากอยากได้ไวเกินไปมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยไม่ถึงงนั้นขั้นตอนเบื้องต้นที่เราจะภาวนากันคือเป็นการฝึกสติเบื้องต้นท่านหนงฝึกตั้งจิตไว้รักษาจิตไว้ข้างในให้ามาอยู่ในจุดเดียวก่อนจนกว่าความรู้สึกนั้น มันจะตั้งลงสู่จุดที่ตั้งที่หมายเมื่อมันตั้งลงสู่จุดที่ตั้งที่หมายก็เรียกใจเป็นเป็นสมาธิแล้วบางตน้นก็ั้งแรกใจมันยังไม่เป็นสมาธิเพราะอยู่ในความควบคุมในการรักษาของตัวเองเห็นว่าเราบริกรรมนึกว่าพุโทโธพุโทโธมันก็เป็นการควบคุมรักษาใจให้อยู่กับอารมณ์พุโทโธนั้นหรือไม่ใช้เราก็น้อมเข้าสู่จุดตั้งดังที่เนะเดี๋ยวนี้ น้องบระคองความรู้สึกเขารักษาว่าในจุดตั้งให้นโน้ก็เป็นการตั้งกิจไว้อันดับแรกยังบังคับจิตไว้อยู่เรายังปล่อยวางมันไม่ได้ถ้าวางมันแล้วมันก็แวบเข้าปากเข้าดวงเข้าดอนไปเพราะมันยังไม่มีหลักยังไม่เข้าสู่คอกของมันเองเหมือนกระวัวควายที่มันไม่มีคอกหรือยังไม่ได้มัด ต้อนเข้ามาได้ไวในจุดนี้แล้วเจ้าของเผยออกไปไปที่อื่นี่ออกไปนอกไปกินพืชพันธุ์ทางยาหารของคนอื่นที่เขาปลูกไว้กับเมล็ดวัวไขในใจของเราเนี่ยเรามาผูกมะมัดเวลาโมงปลูกมะมัดนี่เป็นการสร้างสถิเบืงแรกดึงความรู้สึกเข้ามาสรประคองดอูใจของเราอยู่นะแต่ จนกว่าให้ความคิดความปรุงความแต่งที่มันผุดเกิดขึนะ้นแล้วมันดับไปเมื่อมันดับไปแล้วเมื่อใดใจจึงจะสง บ, บลงสูปฐานที่ต่างไปจะโถลงหรือไม่ลงเราไม่ต้องไปคํานึงให้ทําอย่างนั้นก่อนรักษาอย่างนั้นก่อนสาพุตรโถแล้วก็ประคองเข้าสู่จุดหมายรักษาไว้ มันเหนื่อยว่าพุโทโธมันเหนื่อยก็ไม่ต้องว่ารักษาแต่ความรู้สึกไว้อย่างเดียวน่ะคือรักษาไว้อย่างนั้นเราทําทุกวันทุกวันเราก็จะรู้สึกถ้าเราสังเกตเราจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีอย่างไรไอ้ความไม่หลงลืมมันมีมากขึ้นความพังเผยแวบวับหนีมันค่อยจะหายไปนานเข้ากับรักษาตัวเองใดชัดเจนตลอดเวลาที่เรานั่งก็เลยก็ไม่เผลอเลย นั้นแสดงว่ามันมีสติดีขึ้นต่อจากนั้นละทีใ จ, ใจมันจึงจะเป็นเองมันจึงจะเข้าสู่จุดที่ตั้งของเราแต่ เ, เราอยากจะไปเป็นเลยให้มันเป็นของมันเองธระมาเคยพูดให้ฟังว่าเรื่องมักวิธีปฏิบัติเราสร้างกันได้เราสร้างเราก็ทาวิธีการต่างๆที่เราปฏิบัติเป็นการสร้างมักแต่ว่าผล ใหญ่ใ้เกิดสมาธิปัญญาหนูมันเป็นผลต้องสร้างคลังมรรคที้ให้มันพอสัก่อนมันก็จะเกิดผลเกิดมาเองเราไม่ต้องไปเรียกร้องหรอกเพราะว่าทําเหตุอันนี้ให้พอแล้วมันก็จะเกิดผลของมันเอ ง, องในขณะที่เราก็ทําอย่างนี้เราก็มีสิ่งนั้นเป็นเครื่องอยู่เก็นมาเระประคองความรู้สึกเข้ามาไว้ในจุดที่ต่าง ดูความเอาสิ่งนั้นน่เป็นเครื่องอยู่ให้รู้ใจตัวเองน่าเป็นเครื่องอยู่สังเกตว่าในจุดนั้นอะไรจะเกิดก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็รู้วันท่านั้นมันหักจะเกิดขึ้นมาเองถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูจุดที่มันรู้อยู่นั้นเรียกว่ารู้อยู่ในจุดนั้นเลื่อยไปเ่าบางคนนั้นพอประคองมันดิ้นหลือเกิดโดดหน้าโดดหลังโดดหน้าโดดหลังแล้วก็ จับไว้ในจุดเดียวหนึงมะขาวาจับต้นมันไปลายมันจะได้นยังไงกสังหวมจับตัวต้นมันเล่ไวเหมือนเขาเอาวัวเอาควายไปมัดล่ามเชือกมันให้มันกินหญ้าบางแห่งเขาบางที่บางแห่งเขาล่ามวัวล่ามควายเขาเขาจะกใช้เสากระดงทําเ ป, ป็นสายกระดงมัดขึ้นสู ง, สง ก็มัดที่เชือกขวายควายมันก็วนไปไกลได้เพราะเมยเสากระโดงมันสูงเพอาเชือกมัดไวมันหมุนเวียนไปตามนั้นได้เพราก็มีเสากระโดงหนึ่งมันดึงขึ้นดึงลงได้ถ้าไปมัดกำลักแล้วนมมันไปไกลๆควายมันวนไปวนแล้วก็ไปคล้องไปติดที่ใดที่หนึ่งก็สั่นท้อหายใจของเราก็เราก็ผูกไว้ยาวๆให้มัน วิ่งไปได้ตามอาการานั้นๆั่นก็มาแต่ก็มีเชือกต้นรักษามันเรามัดไว้ที่ต้นหลักคือจุดตั้งของเราดีเวลาเพียงพยายามทำอย่างนี้นสม่ำเสมอหรือว่าขณะนี้เราสร้างสติแล้วก็ต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่เรากระทาต้องได้รับผลทันทีผลแห่งการกําหนดจิตได้รับขึ้นมาทีผลเข้ามาก็คือความสุขความทุกข์นึ่งแหละ พอเราตั้งจิตเข้าสู่จุดพับมันก็จะเกิดผลรู้สึกว่าสบายไม่สบายขึ้นมันทันทีแล้วถ้าเราตั้งจิตถูกมันก็รู้สึกว่าสบายชื่นขึ้นมาแต่มันสบายชั่วขณะที่เราคุมมันอยู่ได้ถ้าเราไปเพ่งไปบงังคับเอาอยู่แล้วทุกทีนี้ต้องประคองให้มีความรู้สึกรู้อยู่ในจุดอย่างเดียวรักษาอย่างนั้นาไปเรื่อยๆ ดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเวลาเรานั่งเวลาเท่าไปก็รู้ใจเขาไปเรื่อยๆนานเข้าก็ปรับตัวมาเองอยู่เป็นว่าเราอย่างนี้เรียกว่าเราอยู่ด้วยในความการรักษาเรียกว่าสังวรภาคปฏิบัติเรียกว่าสีและสังวรอินทรีย์สังวรหรือสติสังวร สีแสงสว่างขึ้นระวังเรื่องสีเนแล้ว่ะสีแสงสว่างขึ้นระวังใจวางใจไม่ให้มันยินดีเย็นร้ายในขณะที่เห็นลูกฟังเสียงดมกลิ่นเล่นวัตถุวัตกุแต่ถ้าเราไม่มีหลักมันไม่ให้มันยินดีมันร้ายมันไม่ได้เห็น ว, ว่าเห็นลูกหน้ารักมันก็เกิดรักเห็นลูกหน้าชังมันก็ชังเห็นเน่ารูปหน้ารักมันก็ยินดีพอใจ เห็นรูปน่ารักใครพอใจเห็นล ร, รูปที่ไม่น่ารักก็ช่างรังเกียจมันไปยินดีลายอยู่อย่างนี้ไม่มายินดีลายเราก็ต้องประคองใจเข้าสู่จุดพอเข้าสู่จุดทับมันจะดับถึงมันจะตัดออกกันเ้ง <c oughs> <c oughs> ผู้ใดาสามารถทำได้อย่างนั้นเรียกว่ารู้รรวิธีวิธีที่ละงับอารมณ์ของตัวเองไม่ต้องกลัวอารมณ์ คือบางคนนะพอกลัวแต่แว่ามันจะคิดตันคิดนี่อะไรพุ่งเน้นออย่างนั้นไม่ไหวแล้วพอเผลอแวบเดียวมันก็คิดไปร้อยแปดพันประการในทีนั้นเราไม่ต้องไปโกกความคิดฟุ่งแต่ว่าเรารู้